หอินทริโยิพังหนึ่งอภิธรรมภาชนี219อินทรีย2 2คือ 1. จักขุนสสองโสตินรีสคานินรีส4ชิวหินรีหกายินรีหมนินรีเจดอิทถินรีแปปุริสินรีเชีวิตินรีส10สุขหินรีสอทุกหินสีสิโสมณัตสินรี 13. โทมณตินสีสิน4ีอุเปกินรีสิสัตทินรีสิวิริยินรีสิบเสตินรียิบสมาตินรีสิบปัญญินรียีอนัญญาตัญยัตสามีตินรียี่อัญญินรียี2อัญญาตาวินสีรยยี2 0บรรดาอินรีย2 2นั้นจกขุนสีเป็นฉไน จักสุใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างนี้ เ, เรียกว่าจักขุนสี่โสตินสีคานินทรียชิวหินรีกายินรียเป็นฉนะัยกายใดเป็นภาษาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่นี้ชื่อว่าบ้านว่างบ้างนี้ เ, เรียกว่ากาญินทรียมนินทรียเป็นฉนะัย มนินทรีหมดละหนึ่งได้แก่มนินทรียที่สัมพยุตด้วยผัสสะมนินทรียหมดละสองได้แก่มนินทรียที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีมนินทรีย์หมดละสได้แก่มนินทรีที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤิตก็มีมนินทรียหมดละสได้แก่มนินทรียที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นบรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มี ที่ไม่นับเคื่องในวัตทุ ก, ก็มีมนณีสีหมดละหได้แก่มณีสีที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขขินสีก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขินสีก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสสินรียก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยโทยมานาัสสินรียก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปเปกขินรีก็มีมนณีสีหมดละหได้แก่จักขุวิญญาณมโนวิญญาณมนณีสีหมดละหมีด้วยอาการอย่างนี้มณีสีหมดละเจ็ด ได้แก่จักขุวิญญาณกายวิญญาณมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุมนินทรีหมดละเจมีด้วยอาการอย่างนี้มนินทรีหมดละ8ได้แก่จักขุวิญญาณกายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรูปด้วยทุกข์ก็มีมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุมนินทรีหมดละ8มีด้วยอาการอย่างนี้ มนิณีสีหมดละก้าได้แก่จักขวิญญาณกายวิญญาณมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤริตก็มีมนิณีสีหมดละกมีด้วยอาการอย่างนี้มนิณีสีหมดละสิบได้แก่จักขวิญญาณกายวิญญาณที่สรคตด้วยสุขก็มีที่สรคตด้วยทุกก็มีมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลก็มี ที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยกริตก็มีมนินทรียหมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้มนินทรีย์หมดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี่เรียกว่ามนินทรียอิจถินรียเป็นชไหนะสวดรงหญิงเครื่องหมายประจําเพศหญิงกริยาหญิงอาการหญิงสภาพหญิงภาวะหญิงของสตรีนี้เรียกว่าอิจถินรีย์ ปุริสินสีเป็นฉไหนสวดรงชายเครื่องหมายประจำเพศ ช, ชายกิริยาชายอาการชายสภาพชายภาวะชายของบุรุษนี้เรียกว่าปุริสินสีชีวิตินทรีย์เป็นฉไหนชีวิตินทรีย์หมดละสองได้แก่ชีวิตินทรีย์ที่เป็นรูปก็มีชีวิตินสียที่ไม่เป็นรูปก็มีในชีวิตินทรีย์ทั้งสองนั้นชีวิตินทรียที่เป็นรูปเป็นฉไหน อายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกริยาที่ให้เป็นไปอาการที่สืบเนื่องกันความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิตินทรียีแห่งสภาวธรรมที่เป็นรูปเหล่านั้นนี้เรียกว่าชีวิตินทร์ีที่เป็นรูปชีวิตินทร์ีที่ไม่เป็นรูปเป็นฉไหนอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกริยาที่ให้เป็นไปอาการที่สืบเนื่องกันความดาเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิต ชีวิตินทร์สีแห่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเหล่านั้นนี้เรียกว่าชีวิตินทร์สีที่ไม่เป็นรูปนี้เรียกว่าชีวิตินทร์สีสุขกินสีเป็นเไหนความสำราญทางกายความสุขทางกายความเสเวย อ, อารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัสกิริยาเสเวย อ, อารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่กายสัมผัสนี้ เรียกว่าสุขขินสีทุกขินสีเป็นไนความไม่สําราญทางกายความทุกข์ทางกายความเสวยอารมณ์ที่ไม่สําราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สํำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสนี้เรียกว่าทุกขินสีโสมนสินสีเป็นไนความสําราญทางใจความสุขทางใจ ความเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าโสมนัสสินสีโทมนัสสินรียเป็นฉนัยความไม่สำราญทางใจความทุกข์ทางใจความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัส นี้เรียกว่าโมทมานสินสีอุเปกขินสีเป็นไนความสำราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สำราญทางใจก็ไม่ใช่ความเสเวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสเวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าอุเปกขินสีสัตทินสีเป็นไน ศรัทธาความเชื่อความปร่งใจเชื่อความเลื่อมใสยิ่งศรัทธาสัตทินรีศรัทธาพละนี้เรียกว่าสัตทินรียวิริยินทรีเป็นไฉนการปรารบความเพียรทางใจความขมขมเข่นความบากปั่นความขวนขวายความพยายามความอุตสาหะความทนทานความเข้มแข็งความหมั่นความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอย ความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งธุระความเอาใจใส่ธุระวิริยะวิริยินทรีวิริยะภละสัมมาวายามะนี้เรียกว่าวิริยินทรียสตินสินทรียเป็นฉไนสติความตามระลึกความหวนระลึกสติกิริยาที่ระลึกความทรงจําความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสติิตนทรีย์สติภละ สัมมาสตินี้เรียกว่าสตินสีสมาถินสีเป็นไนะความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงมั่นความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ซัดสายความไม่ฟุ้งซ่านความที่จิตไม่สัดทายสมถทสมาถินสีสมาทิพระสัมมาสมาธินี้เรียกว่าสมาถิน ส, ส, นสีปัญญสีเป็นไนะปัญญากริยาที่รู้ชัด ความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐินี้เรียกว่าปัญญสีอนัญญาตัญยศสามีตินสียเป็นฉไนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงม ง, ง, งายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิธรรมวิจยะสามโพธชงอันเป็นองค์มัคนับหนึ่งในมัคเพื่อรู้ธรรมที่ยังไม่เคยรู้เพื่อเห็นธรรมที่ยังไม่เคยเห็นเพื่อบรลุธรรมที่ยังไม่เคยบรลุ เพื่อทราบธรรมที่ยังไม่เคยทราบเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่เคยทําให้แจ้งนั้นๆ น, น, นี้เรียกว่าอนัญญาตัญญสามีตินสีอัญญสีเป็นฉไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิธรรมวิจยาสามโพธชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคเพื่อรู้ธรรม ท, ที่รู้แล้วเพื่อเห็นธรรมที่เห็นแล้วเพื่อบรุธรรมที่บรลุแล้ว เ พ, ททเพื่อทราบธรรมที่ทราบแล้วเพื่อทําให้แจ้งธทำที่ทําให้แจ้งแล้วนั้นๆ น, น, นี้เรียกว่าอัญญรียอัญญาตาวินสีเป็นไฉนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิธรรมวิจยะสัมโพุทธชงอันเป็นองค์มัชนับเนื่องในมัชเพื่อรู้ธรรมที่รู้ทั่วแล้วเพื่อเห็นธรรมที่เห็นแล้ว เพื่อบรุรรมที่บรรลุแล้วเพื่อทราบทำที่ทราบแล้วเพื่อทาให้แจ้งทมที่ทำให้แจ้งแล้วนั้นน้นี้นนเรียกว่าัญญาตาวินซีอภิธรรมภาชนีจบ 2. ปัญหาปุจจกะ21 อ, อ, อิบอินทรีย์คือ1จักขุนตรี สองโศตินสีสคานินรีสี่ิวหินสีหากายินรีหมณินรีเอิตินรีแปปุริสินรีเาชีวิตินสีสิบสุขินรีสิทุกหินรีสิบสโสมนัสินรีสิโทมนัสตินรีสิ่อุเปกินรีสิาสัตตินรีสิกวิริยินรี สิสตินสีสิจมาทินสีสิบปัญญินสียี่ 20. อนัญญาตัญยศมีทินสีนยี่ิบเอ็อัญญินรียี่สิอัญญาตาวินรีติกะมาติกาปุจฉาทุกกะมาติกาปุจฉา2 2งรบรรดาอินสียี22อินทรียเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยกฤต เท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ 1. ติกะมาติกาวิสัชนา 1. กุศลติกกวิสัชนาสองร้อิบสาอินสีสิบเป็นอัพยกฤตโทมนัสินสีเป็นอกุศลอนัญญาตัญญาสามีตินสีเป็นกุศล อิน ank, ทรีสี ท, กกที่เป็นกุศลก็ ม, ทกกมีที่เป็นอัพยกฤิตก็มีอินทรีหกที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤิตก็มี 2. เวทนาติกะวิสัชนาะอินทรีสิบสองกล่าวไม่ได้ว่าสัมปะยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปะยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปะยุทธ์ด้วยอทุกขะมะสุขเวทนาอินทรีหก ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขะมัสุขเวทนาก็มีอินทรีสามที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขะมัสุขเวทนาก็มีชีวิตินทรีที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมัสุขเวทนาก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปะยุทธ์ด้วยอทุกขธรมสุขเวทนาก็มี 3. วิปากติกะวิสัชนาอินทรีเจ็ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอินทรีสามเป็นวิบากอินทรีสองเป็นเหตุให้เกิดวิบากอันญญนทีที่เป็นวิบากก็มี ที Four, nine, like ่เป so. ็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีอินทรีย์าที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี 4. อุปาทินกะติกะวิศัชนาอินทรีย์ากรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโทมนัสสินสี่กรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอินทรีย์3กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอินทรียก้าที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี ที่การมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี 5. สังกิริธาติกวิสัชนาอินทรีย์9กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโทมนัสินสีกิเลสทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสอินทรีย์3กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส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 ติกะวิสัชนาอินทรีเกไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์โทมณตินทรีมีทั้งวิตกและวิจารอุเปกินทรีที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีอินทรีสิบเอที่มีทั้งวิตกและวิจาร์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มี 7. ปีติติกะวิสัตชนา อินทรีเอกล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติสหรคตด้วยสุขหรือสหรคตด้วยอุเบกขาโซมัสสินจีที่สหรคตด้วยปีติแต่ไม่สหรคตด้วยสุขและไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสหรตคตด้วยปีติก็มีอินทรีหกที่สหรคตด้วยปีติก็มี ที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีอินทรีสี่ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติสหรคตด้วยสุขหรือสหรคตด้วยอุเบกขาก็มี 8. ทัศนติกับวิจัชนา อินทรีสิบหไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสโทมานตินสีที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสก็มีอินทรียหกที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสก็มี yup. ที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัติมักและมักเบื้องบนสก็มี 9. ทัศนาเหตุตุติกาวิจัชนาะอินทรีสิบหไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสโสมนัสสิ น, 4, นสี่ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสก็มีอินทรียหกที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสก็มี ที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาก็มี 10. อาเจยคามิติกะพิสัชนาะอินรีสิบไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานโทมัสินตีเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอนัญญาตัญยัสามีตนสีเป็นเหตุให้ถึงนิพพานอัญญสีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มี ที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนทิจุติและนิพพานก็มีอินทรีย์ก้าที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนทิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนทิจุติและนิพพานก็มี11เอคาเติกะวิสัชนาอินทรีย์สิบไม่เป็นของเสคบุคลและอาศิคาุคล อินทรีสองเป็นของเสกบุคคลอัญญาตาวินทรีเป็นของอเสะบุคคลอินทรียก้ที่เป็นของเสกบุคคลก็มีที่เป็นของอเสะบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอาสะบุคคลก็มี 12. ปริตติกวิจัชนาอินทรีสิบเป็นปริฏตอินทรีสามเป็นอปปมาณะ อินทรีเก้ที่เป็นปริตะก็มีที่เป็นมหคัตก็มีที่เป็นอัปปมานะก็มี13ปริตารมณติกวิจัชนาอินทรีย์7รับรู้อารมณ์ไม่ได้อินทรีสองมีปริตะเป็นอารมณ์อินทรีสามมีอัปปมานะเป็นอารมณ์ โทมนัสินซีที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์แตมไม่มีอัปปามะนะเป็นอารมณ์ก็มีทีกกกท่กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตะเป็นอารมณ์หรือมีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีอินทรีเก้าที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปามะนะเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่า มีปริตะเป็นอารมณ์มีมหคตะเป็นอารมณ์หรือมีอปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มี 14. บี่ฮีนติกวิจัชนาะอินรียก้าเป็นชั้นกลางโทมนัสินสีเป็นชั้นต่ำอินรีสามเป็นชั้นประนีอินรีสามที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประณีก็มีอินซีหก ที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประณีตก็มี 15. มิจฉัตติกวิจัดชนาอินทรีสิบไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอนัญญาตัญญสามีตินซีมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอินซีสี่ที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มี โทมานตินรี 4, ที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีอินรีหกที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั Python, ้นก็มีส6มัคคารมณนติกะวิสัชนาอินรีเจ็ด ประพรูอารมณ์ไม่ได้อินทรีสี่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์มีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิบดีอนัญญาตัญยัตสามีตินสีไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์ที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิบดีก็มี อันยินสีไม่ใช่มีมักเป็นอารมณ์ที่มีมักเป็นเหตุก็มีที่มีมักเป็นอธิบดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมักเป็นเหตุหรือมีมักเป็นอธิบดีก็มีอินรีเก้าที่มีมักเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมักเป็นเหตุก็มีที่มีมักเป็นอธิบดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมักเป็นอารมณ์มีมักเป็นเหตุ หรือมีมักเป็นอธิบดีก็มี 17. อุปนิติกวิเศษชนาอินทรีสิบที่เกิดขึ้นก็มีที่จะเก e ิดขึ้นแน่นอนก็ม wow. ีแต่กล่าวไม่ได้ว่ายังไม่เกิดขึ้นอินทรีสองที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนอินทรีสิบ ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มี 18. บปดอตีตติกวิจชนาะอินทรีย์2ีที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มี 19. อตีตา ร, รมัมานติกวิจชนาะอินทรีย์เจรับรู้อารมณ์ไม่ได้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 มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มี20อัิบอจชตติกวิสัชนาะอินทรีย์22ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มี21อัจชตารามณติกวิสัชนาะอินทรีเจ็รับรู้อารมณ์ไม่ได้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 และกระทบไม่ได้ 2. ทุกกะมาติกาวิสัชนา 1. เหตุกโคจฉกะวิสัชนา224อยยี่ิบสี่ีสี่เป็นเหตุอินรีย์บ8ไม่เป็นเหตุอินทรีเจ็มีเหตุอินทรียก้ไม่มีเหตุอินทรียหกที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีอินรีเจ็ สัมบุญด้วยเหตุอินทรีเก้าวิบยุทธจากเหตุอินทรีหกที่สัมยุญด้วยเหตุก็มีที่วิปบยุทธจากเหตุก็มีอินทรีสีเป็นเหตุและมีเหตุอินทรีเกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอินทรีสากล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอินทรีหกกล่าวไม่ได้ว่า เป็นเหตุและมีเหตุที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีอินรียสเป็นเหตุและสัมพยุดด้วยเหตุอินรีย์9กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมพยุดด้วยเหตุหรือสัมพยุดด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอินรี่สากล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมพยุดด้วยเหตุหรือสัมพยุดด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ อินซีหกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมพยุดด้วยเหตุที่สัมพยุดด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมพยุดด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีอินรีย์9ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุอินทรีย์มไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุอินรียี่กล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุอินซียหก ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มี 2. จุลันตระทุกขวิสัชฉนาอินทรีย์2ีมีปัจจัยปรุงแต่งอินทรีย์22ถูกปัจจัยปรุงแต่งอินทรีย์22เห็นไม่ได้อินทรีย์หกระทบได้อินทรีย์สิกระทบไม่ได้ อินทรีย์เจ็เป็นรูปอินทรีย์สิไม่เป็นรูปชีวิตอินทรีย์ที่เป็นรูปก็มีที่ไม่เป็นรูปก็มีอินทรีย์สิเป็นโลกิยะอินทรีย์สเป็นโลกุตระอินทรีย์เก้าที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีอินทรีย์2ีจิตบางดวงรู้ได้อินทรีย์2ีจิตบางดวงรู้ไม่ได้ สาอาสวะโคจัตฉกะวิสัชนาอินทรียี2สิบสองไม่เป็นอาสวะอินทรีสิบเป็นอารมณ์ของอาสวะอินทรีสามไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอินทรีเก้าที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีอินทรีสิบห้าวิปยุตจากอาสวะโทมนินัรีสัมปยุตด้วยอาสวะ อินทรีหที่สัมปยุต ด, ด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะก็มีอินทรีสกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสว ะ, ออวะแต่ไม่เป็นอาสวะอินทรีสกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอินทรีก้า กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีอินทรีสิบห้กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมพยุดด้วยอาสวะหรือสัมพยุดด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะโทมาัตินสี กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะหรือสัมป ย, ยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอินทรียหกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีอินทรีเก้า วิปยุจจากอาสะวะแต่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอินทรีสวิปยุจจากอาสะวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสะวะโทมานตินสีกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุจจากอาสะวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะหรือวิปยุจจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอินทรีสที่วิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี ที่วิปปยุจจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีอินทรีหที่วิปปยุ์จากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปปยุ์จากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปปยุ์จากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะหรือวิปปยุจจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี สัญญชนหาโคจัตฉกะวิสัชนาอินทรีย์22ไม่เป็นสังโยชน์อินทรีส10เป็นอารมณ์ของสังโยชน์อินทรียามไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์อินทรีย์9ที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีอินทรียิบหวิปยุทธจากสังโยชน์โทมนัสินซีสัมปยุทธด้วยสังโยชน์อินทรีห6ที่สัมปยุทธด้วยสังโยชน์ก็มี ทีวิปปยุตจากสังโยชกก็มีอินทรีสิบกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชตและเป็นาอารมณ์ของสังโยชตหรือเป็นอารมณ์ของสังโยชตแต่ไม่เป็นสังโยชตอินทรีสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชตและเป็นอารมณ์ของสังโยชตหรือเป็นอารมณ์ของสังโยชตแต่ไม่เป็นสังโยชตอินทรีเก้กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชตและเป็น big, อารมณ์ของสังโยชต ที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของสังโยชน์ lush, แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีอินทรีสิบหกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์หรือสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์โทมานตินสี่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์หรือสัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ อินสี่หกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และสัมพยุดด้วยสังโยชน์ที่สัมพยุดด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมพยุดด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีอินรี่์9วิปยุดจากสังโยชน์แต่เป็นอารมของสังโยชน์อินรี่สาวิปยุดจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมของสังโยชน์โทมานตินสี่กล่าวไม่ได้ว่า วิปปยุจจากสังโยต์แต uh? ่เป็นอารมณ์ของสังโยต์หรือวิปปยุจจากสังโยต์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยต์อินสีย์3ที่วิปปยุจจากสังโยต์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยต์ก็มีที่วิปปยุจจากสังโยต์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยต์ก็มีอินรีย์6ที่วิปปยุจจากสังโยต์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยต์ก็มีที่วิปปยุจจากสังโยต และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีทีいい birthday, ่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุจจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือวิปยุจจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีห้าคันทักโคจักะบิจัชนาอินทรีย์22ไม่เป็นคันทักอินทรีสิบเป็นอารมณ์ของคันทะอินทรีย์มไม่เป็นอารมณ์ของคันทะ อินรีเก้ที่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีอินรีสิบหวิปยุจจากคันธะโทมานตินสีที่สัมปยุจด้วยคันธะอินรียหกที่สัมปยุจด้วยคันธะก็มีที่วิปยุจจากคันธะก็มีอินรีสิบกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะหรือเป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะ อินจีสามกล er, mm ่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะหรือเป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะอินรีเก้กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะที่เป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะก็มีอินจีสิบห้า กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและสัมปยุตด้วยคันทะหรือสัมปยุตด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะโทมนัสินสี่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและสัมปยุตด้วยคันทะหรือสัมปยุตด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะอินซีหกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและสัมปยุตด้วยคันทะที่สัมปยุตด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยคันทะ แต่ไม่เป็นคันทะก็มีอินจีเก้าวิปยุตจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะอินจีสามวิปยุตจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะโทมนัสสินสี่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะหรือวิปยุตจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะอินจีสาม ที่วิปปยุจจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีที่วิปปยุจจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีอินทรีย์หที่วิปปยุจจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีที่วิปปยุจจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปปยุจจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะหรือวิปปยุจจากคันทะ และไม่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มี6ถึง8โอคะโคจัชากาบทิวิสัชนาอินทรียี2สไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวร อ, อินทรียสิบเป็นอารมณ์ของนิวร อ, อินทรีสามไม่เป็นอารมณ์ของนิวร อ, อินทรียก้า ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีอินทรียิบหวิปยุตจากนิวรณ์โทมานสินสีสัมปยุตด้วยนิวรณ์อินทรียหกที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์ก็มีที่วิปยุตจากนิวรณ์ก็มีอินทรีส10กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์อินทรีสาม กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์อินทรีเก้กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีอินทรียิบหกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และสัมพยุดด้วยนิวรณ์ หรือสัมพยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณโทมนัสินสีกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และสัมพยุตด้วยนิวรณ์หรือสัมพยุตด้วยนิวรณแต่ไม่เป็นนิวรณอินรีหกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณและสัมพยุตด้วยนิวรณที่สัมพยุตด้วยนิวรณแต่ไม่เป็นนิวรณก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมพยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรก็มี อินทรีเก้วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์อินทรีย์3วิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์โทมนานสินสีกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือวิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์อินทรีสามที่วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มี ที่วิปปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีอินทรีห6ที่วิปปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่วิปปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือวิปปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มี กปรามาสโคจัชกะวิจัชนาอินทรียี2สไม่เป็นปรามาตอินทรีสิบเป็นอารมณ์ของปรามาตอินทรีสามไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตอินทรีเก้ที่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มีอินทรียิบหวิปยุตจากปรามาตอินทรียหก ที่ทำประยุทธ e, ์ด้วยปรามาสก็มีที่วิปปยุทธจากปรามาสก็มีอินทรีสิบกล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสหรือเป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม um ่เป็นปรามาสอินทรีสกล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสหรือเป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสอินทรีเกกล่าวไม่ได้ว่า เป็นปรามาตยและเป็นอารมณ์ของปรามาตที่เป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาตก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาตก็มีอินทรีสิบวิปยุจจากปรามาตแต่เป็นอารมณ์ของปรามาตอินทรีสามวิปยุจจากปรามาตและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตอินทรีสาม ที่วิปปยุตจากปรามาต์แต่เป็นอารมณ์ของปรามาต์ก็มีที่วิปปยุตจากปรามาต์และไม่เป็นอารมณ์ของปรามาต์ก็มีอินทรี่หกที่วิปปยุตจากปรามาต์แต่เป็นอารมณ์ของปรามาต์ก็มีที่วิปปยุตจากปรามาต์และไม่เป็นอารมณ์ของปรามาต์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปปยุตจากปรามาต์แต่เป็นอารมณ์ของปรามาต์ หรือวิปยุทธจากปรามาตรและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มี 10. มหันตราชทุกข์วิจัชนาอินทรีเจ็รับรู้อารมณ์ไม่ได้อินทรียิบสรับรู้อารมณ์ได้ชีวิตอินทรีที่รับรู้อารมณ์ได้ก็มีที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ก็มีอินทรียี 21. ไม่เป็นจิตมนอินทรีเป็นจิต อินทรีสิบสเป็นเจตสิกอินทรีย์8ไม่เป็นเจตสิกชีวิตอินทรีย์ที่เป็นเจตสิกก็มีที่ไม่เป็นเจตสิกก็มีอินทรีย์ 13. สัมปยุทธ์ด้วยจิตอินทรีย์7วิปยุทธจากจิตชีวิตอินทรีย์ที่สัมปยุทธ์ด้วยจิต ก, ก็มีที่วิปยุทธจากจิตก็มีมนินทรีย์กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยจิตหรือวิปยุทธจากจิต อินทรีสิบสระคนกับจิตอินทรีเจ็ไม่ระคนกับจิตชีวิตอินทรีย์ที่ระคนกับจิตก็มีที่ไม่ระคนกับจิตก็มีมนินทรีย์กล่าวไม่ได้ว่าระคนกับจิตหรือไม่ระคนกับจิตอินทรียิบสมีจิตเป็นสมุดฐานอินทรีย์8ไม่มีจิตเป็นสมุดฐาน ชีวิตินทรีสี่ที่มีจิตเป็นสมุทฐานก็มีที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานก็มีอินทรีย13เกิดพร้อมกับจิตอินทรีย์8ไม่เกิดพร้อมกับจิตชีวิตินทรีสี่ที่เกิดพร้อมกับจิตก็มีที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตก็มีอินทรีย์13เป็นไปตามจิตอินทรีย์8ไม่เป็นไปตามจิตชีวิตินทรีย์ที่เป็นไปตามจิต ก็มีที่ไม่เป็นไปตามจิตก็มีอินทรีย์13รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุดฐานอินทรีย์8ไม่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุดฐานชีวิตอินทรีย์ที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุดฐานก็มีที่ไม่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุดฐานก็มีอินทรีย์13รัคนกับจิต มีจิตเป็นสมุดฐานและเกิดพร้อมกับจิตอินทรีย์8ไม่ละคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเกิดพร้อมกับจิตชีวิตอินทรีที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเกิดพร้อมกับจิตก็มีที่ไม่ละคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเกิดพร้อมกับจิตก็มีอินทรีย์13ระคนกับจิต มีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตอินทรีย์8ไม่ประคุกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตชีวิตินทรียที่ประคุกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตก็มีที่ไม่ประคุกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตก็มีอินทรีย์หกเป็นภายในอินทรียิบหเป็นภายนอก อินทรีเจ็เป็นอุปาทายรูปอินทรีสิบสไม่เป็นอุปาทายรูปชีวิตอินทรีย์ที่เป็นอุปาทายรูปก็มีไม่เป็นอุปาทายรูปก็มีอินทรีเก้ากรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออินทรีสี่การมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออินทรีเก้าที่การมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มี ที่การมประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มี11อุปาทานะโครจจกะพิจัชนาอินทรีย22ไม่เป็นอุปา <ative> ทานอินทรี10เป็นอารมณ์ของอุปาทานอินทรี3ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอินทรี9ที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี อินทรีสิบหวิปยุตจากอุปาทานอินทรียหกที่สัมปยุตด้วยอุปาทานก็มีที่วิปยุตจากอุปาทานก็มีอินทรีสิบกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานหรือเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานอินทรีสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและเป็นนอารมณของอุปาทาน หรือเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานอินทริก้ากล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีอินทริสิบที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มี อินทกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานหรือสัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานอินทรีหกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานที่สัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มี อินทรีสิบวิปยุ์จากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอินทรีสามวิปยุ์จากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอินทรีสามที่วิปยุ์จากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่วิปยุ์จากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีอินทรีหก ที่วิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมของอุปาทานก็มีที่วิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมของอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมของอุปาทานหรือวิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมของอุปาทานก็มี 12. กิเลสโคจฉกวิจชนา อินทรียี่สไม่เป็นกิเลสอินทรีสิบเป็นอารมณ์ของกิเลสอินทรีสามไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอินทรียก้าที่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีอินทรียิบหกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองโทมนัสสินสีกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองอินทรียหกที่กิเลสทําให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองก็มี อินทรีสิบห้าวิปยุจจากกิเลสโทมนัสินทรีสัมปยุจด้วยกิเลสอินทรีห6ที่สัมปยุจด้วยกิเลสก็มีที่วิปยุจจากกิเลสก็มีอินทรีส10กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสหรือเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสอินทรียามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลส หรือเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสอินทรีย์9กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีอินทรีย15กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองหรือกิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลส โทมนัตินรีกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทําให้เศร้าหมองหรือกิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสอินทรียหกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทําให้เศร้าหมองที่กิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ากิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีอินทรีสิบห้า กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมพยุดด้วยกิเลสหรือสัมพยุดด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสโทมณสินสีกล <IS> ่าวไม่ได้ว่าเป็น <automat> กิเลสและสัมพยุดด้วยกิเลสหรือสัมพยุดด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสอินสีหกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมพยุดด้วยกิเลสที่สัมพยุดด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่า สัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีอินรียก้าวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอินทรีสามวิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโทมนณสินรียกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสหรือวิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส อินทรีสามที่วิปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่วิปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีอินทรีหกที่วิปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่วิปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสหรือวิปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี 13. ปิติทุกข์วิจัชนาอินทรีย์บ5ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอินทรีย์7ที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีอินทรีย์บ5ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสอินทรีเจ็ที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสก็มีอินทรีย์15ไม่มีเหตุ ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอินทรีย์7ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีอินทรีย์15ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสอินทรีย์7ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มี อินทรีเ <symbolic> ก <ệt> ้าไม่มีวิตกธอมนันสินทรีย์มีวิตกอินทรียิบสที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีอินทรียก้าไม่มีวิจารณ์ธอมนันสินทรียมีวิจารณอินทรียิบสที่มีวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มีอินทรียิ1เไม่มีปีติอินทรียิ1เที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีอินทรียิ1เไม่สหรคตด้วยปีติ อินทรีสิบเที ah. ่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีอินทรีสิบสไม่สหรคตด้วยสุขอินทรีสิบที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีอินทรีสิบสไม่สหรคตด้วยเบขาอินทรีสิบที่สหรคตด้วยเบขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยเบขาก็มี อินทรีสิบเป็นกามาวจรอินทรีสามไม่เป็นกามาวจรอินทรีเก้าที่เป็นกามาวจรก็มีที่ไม่เป็นกามาวจรก็มีอินทรีสิบสาไม่เป็นรูปาวจรอินทรีเก้าที่เป็นรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นรูปาวจรก็มีอินทรีสิบสไม่เป็นอรูปาวจรอินทรียป ที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีอินทรีสิบนับเนื่องในวัตทุกขอินทรีสามไม่นับเนื่องในวัตทุกขอินทรีก้าที่นับเนื่องในวัตทุกข็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตทุก็มีอินทรีสิบเอ็ดไม่เป็นเหตุนาออกจากวัตทุ อนัญญาตัญยัตสามีตินสีเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกอินสีสิบที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกก็มีที่ไม่เ kind of ป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกก็มีอินสีสิบให้ผลไม่แน่นอนอนัญญาตัญยัตสามีตินสีให้ผลแน่นอนอินสีสิบเอที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีอินสีสิ มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอินทรีสามไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอินทรียก้าที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีอินทรีสิบห้าไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โทมานตินสียเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อินทรียหกที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มี ปัญหาปุจฉกะจบอินทริยวิพังจบบริบูรณ์